ีาภิกษุณีกำลังต่อสู้กับสิ่งสองอย่างนี้อย่างน่าสงสารยิ่งนักหน้าที่ของนางก็คือการทำลายความรักความใคร่บัดนี้นางเป็นภิกษุณีวิทยหญิงชาวบ้านธรรมดานางจึงต้องพยายามกำจัดความรักความใคร่ระหว่างเพศให้หมดไปแต่ว่าหัวใจของนางนั้นกำลังเรียกร้องหาความรักหน้าที่กับการเรียกร้องของหัวใจ อย่างไหนจะแพ้จะชนะก็แล้วแต่ว่าความเข้มแข็งของอำนาจฝ่ายสูงหรือฝ่ายตำ่ำผู้หญิงนั้นลงได้ทุ่มเทความรักให้แก่ใครแล้วก็มั่นคงเหนียวแน่นยิ่งนักยากที่จะถอนได้และความรักที่ไม่มีทางสมปรารถนาเลยนั้นเป็นความปวดร้าวอย่างยิ่งสําหรับผู้หญิงดวงใจของเธอจะระบมบม่มหนอง ในที่สุดก็แตกสลายลงด้วยความชอกช้ำนั้นอณิจจาโกคีลาแม้เธอจะรู้ว่าความรักของเธอไม่มีทางจะสมปรารถนาได้เลยแต่เธอก็ยังรักสุดที่จะหักห้ามและถ่ายถอนได้อีกคือหนึ่งที่นางต้องโกรนกรายรนจวนจิตถึงพระอานน์นางนอนพลิกไปพลิกมาในตาเมื่ออยอย่างไรจุดมุ่งหมาย นานๆจึงจะจับนิ่ง่ที่เพดานหรือขอบหน้าต่างนางรู้สึกว่าเวเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าลึกเพียงคนเดียวทำไมนางจึงว้าเวในเมื่อคืนนั้นเป็นคืนแรกที่ประาศาสดาเสด็จมาถึงพระราชามาหาอมาตย์และพ่อค้าขาหะบดีมากหลายมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเหมือนสายน้ำที่หลังไหลอ ย, อยู่ไม่ได้ขาดระยะมันเป็นเรื่องของผู้หญิง ที่ผู้ชายน้อยคนนักจะเข้าใจและเห็นใจพิกษูนีโกกีลาถอนสะเอื้นเบาๆเมื่อราร้อนและกลัดกลุ่มถึงที่สุดน้ำตาเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาความระทมขมขื่นลงได้บ้างเพื่อนที่ดีในยามทุกข์สำหรับผู้หญิงก็คือน้ำตาดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมใจได้เท่าน้ำตา แม้ว่ามันจะหลั่งไหลาจากขั้วหัวใจแต่มันก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอึดอัดลงได้บ้างเนื่องจากผู้หญิงถือว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของความรักตรงกันข้ามกับผู้ชายซึ่งมักจะเห็นว่าความรักเป็นเพียงบางส่วนของชีวิตเท่านั้นเมื่อเกิดความรักผู้หญิงจึงทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจให้แก่ความรักนั้น ทุ่มเทอย่างยอมเป็นทาตโกกิลาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในโลกเธอจะหลีกเลี่ยงความจริงในชีวิตหญิงไปได้อย่างไรพระดำรัสของพระาศาสดาซึ่งทรงแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อสายันยังคงแววอยู่ในโสตของนางพระองค์ตรัสว่าไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นเรื่องทรมาน และเรื่องที่จะบังคับมิให้พลัดพรากก็เป็นสิ่งซึ่งสุดวิสัยทุกคนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจไม่วันใดก็วันหนึ่ง แม้เธอจะพยายามหักห้ามจิตใจมิให้คิดถึงพระอานนท์สักเท่าใดหัวใจมิสามารถหยุดสิ่งนั้นได้เธอตกเป็นทาสแห่งความรักแล้วอย่างหมดสิ้นหัวใจรุ่งขึ้นเวลาบ่ายนางเดินเที่ยวชมโน่นชมนี่ในบริเวณโคสิตารามเพื่อบรรเทาความกระวนกระวายกลัดกลุ่มรุ่ ม, ร, มร้อนเธอเดินมาหยุดอยู่ที่ริมสระ ซึ่งมีบัวบานสะพรั่งรอบรอบสระมีม้านั่งทำด้วยไม้และมีพนักพิงอย่างสบายเธอมานั่งเล่นที่บริเวณสระนี้เสมอๆดูดอกบัวดูมแมลงซึ่งบินวนเวียนไปมาอยู่กลางสระลมพัดเฉยเฉีวหอบเอากลิ่นดอกบัวและกลิ่นน้ำคละคลาำกันมาทำให้นางมีความแช่มชื่นขึ้นบ้าง ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตเสมอมันเป็นเพื่อนที่ดีดทั้งยามสุขและยามทุกข์ชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมักจะเป็นชีวิตที่ชื่นสุขเบาสบายยิ่งมนุษย์ทอดทิ้งเหินห่างจากธรรมชาติมากเท่าใดเขาก็ยิ่งจะห่างจากความสุขออกไปทุกทีมากเท่านั้นขณะที่นางกําลังเพลินอยู่กับธรรมชาติอันสวยงาม จะดูเหมือนความรุ่มร้อนจะลดลงไปได้บัางนั่นเองนางได้ยินเสียงมันมีคนเดินอยู่เบื้องหลังแต่ทันทีที่นางเหลียวไปดูภาพณเบื้องหน้านางได้เข้ามาทาลายความสงบราบเรียบซะโดยพันธ์พระอนุ์และโครูสิตธมหาเศรษฐีเจ้าของอารามนั่นเองนางรู้สึกตะคลั่นตะครอมือและริมซี ป, ปากของนางเริ่มสันน่นน้อยๆเหมือนว่าคนที่เริ่มจะจับไข่ เมื่อพระอนุนเข้ามาใกล้นางก็ถอยหลังไปนิดหนึ่งโดยไม่ได้สำนึกว่าเบื้องหลังของนางนาบัตนี้คือสระน้บาบังเอิญเท้าข้างหนึ่งของเธอเหยียบดินก้อนแข็งก้อนหนึ่งเธอเสียหลักและล้มลงพระอนุนและโคสิทธ์มหาเศรษฐีตกตะลึงจาง ง, างังยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นศิลาสักครู่หนึ่งจึงได้สติแต่ก็ไม่ทราบว่า จะช่วยเธอได้ด้วยประการใดเธอเป็นภิกษณุณีอันใครใครจะถูกต้องมิได้จะพูดถึงพระอ น, นุลเลยแม้โคสิตมหาเศรษฐีเองก็ไม่กล้ายื่นมือประคองนางให้ลุกขึ้นนางพยายามช่วยตนเองจนสามารถลุกขึ้นมาได้สําเร็จแล้วคุกเข่าลงเบื้องหน้าของพระอ น, นุลก้มหน้านิ่งด้วยความละอายน้องหญิง อาตมาขออภัยด้วยที่ทำให้เธอตกใจและลำบากเธอเจ็บบ้างไหมเสียงเรียบเรียบแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยของพระอ น, นุ์ได้เป็นเหมือนน้ำทิพย์ฉลมใจนางให้ชื่นบานอะไรเล่าที่จะเป็นความชื่นใจของสตรีมากเท่าความรู้สึกว่าชายที่ตนพวงรักนั้นมีความห่วงใยในตนสตรีเป็นเพศที่จาความดีของผู้อื่นได้เก่ง พอพอกับการให้อภัยและลืมความผิดพลาดของชายอันตนรักเหมือนเด็กน้อยแม้จะถูกเคี่ยนมาจนปวดร้าวไปทั้งตัวแต่พอมารดาผู้พึ่งวางไม่เร็วหันมาปลอบด้วยคําอ่อนหวานเพียงเล็กน้อยและแถมด้วยขนมชิ้นเล็กๆบ้างเท่านั้นเด็กน้อยจะลืมเรื่องไม่เร็วกลับหันมาชื่นชมยินดีกับคําปลอบโยนและขนมเขาจะซุกตัวเข้าสู่อ้อมกอดของมารดาและกอดรัด เหมือนอะไรอย่างที่สุดการให้อภัยแก่คนที่ตนรักนั้นไม่มีที่สิ้นสุดในหัวใจของสตรีและบางทีก็เป็นเพราะธรรมชาติอันนี้ด้วยที่ทำให้เธอชอกช้ำแล้วชอกช้าอีกแต่มนุษย์ทั้งบุรุษและสตรีเป็นสัตว์โลกที่ไม่ค่อยรู้จักเขตลาบจึงต้องชอกช้ำเดวยกันอยู่เนืองๆ น, นางช้อนสายตาขึ้นมองดูพระอ น, นุ์แวบหนึ่งแล้วคงก้มหน้าต่อไป ไม่มีเสียงตอบจากนางเธอพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเธอดีใจหรือว่าเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้องหญิงเธอเจ็บบ้างไหมอาตมาเป็นห่วงว่าเธอจะเจ็บไม่เป็นไรพระคุณเจ้าเธอมาอยู่ที่นี่สบายดีหรือพอทนได้พระคุณเจ้าเธอต้องการอะไรเกี่ยวกับปัจจัยสี่ ขอให้บอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าภาวณาไว้ท่านเศรษฐีพูดขึ้นบ้างแล้วพระอ น, นุลและโคสิทธิเศรษฐีก็จากไปนางมองตามพระอ น, นุลด้วยความรัจวนพิศวาส น, นางรู้สึกเหมือนอยากให้หกล้มวันละหครั้งถ้าหากว่าการหกล้มนั้นเป็นเหตุให้เธอได้เห็นพระอ น, นุลอันเป็นที่รักนางเดินตามพระอ น, นุลไปเหมือนถูกสะกดความรัก ทำให้บุคคลทำสิ่งต่างๆอย่างครึ่งหลับครึ่งตื่นครู่หนึ่งนางจึงหยุดเมือ น, นึกอะไรขึ้นมาได้และก็เลี้ยวหลังกลับสู่ที่อยู่ของนาง กลับที่อยู่อันเป็นภิกขุนูปัสยะที่พักของภิกษุณีด้วยหัวใจที่เศร้าหมองความอยากพบและอยากสนทนาด้วยพระอานน์นั้นมีมากสุดประมาณบุคคลเมื่อมีความปรารถนาอย่างรุนแรงย่อมคิดหาอุบายเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ปรารถนานั้นเมื่อไม่ได้ด้วยอุบายที่ชอบก็พยายามทําด้วยเล่ห์กลมายาแล้วแต่ว่าความปรารถนานั้นจะสําเร็จได้โดยประการใด โดยเฉพาะความปรารถนาในเรื่องรักด้วยแล้วย่อมหันเหบิดเบือนจิตใจของตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันให้กระทำได้ทุกอย่างพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใดความรักและความหลงครอบงำเมื่อนั้นบุคคลก็เกิดความมืดมนเหมือนกับคนตาบอดนางปิดประตูกุตินอนเหมือนคนเจ็บหนัก ภิกษุณีผู้อยู่ข้างห้องติดกันได้ยินเสียงคลางจิงนค้องประตูเรียกเป็นอะไรไปลึกโกพิฬาสุนันทาภิกษุณีถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นอะไรมากดอกสุนันทาปวดศี่สะเล็กน้อยแต่ดูเหมือนจะมีอาการไข้ตะครั่นตะครอเนื้อตัวหนักไปหมดมีอะไรให้ช่วยก็บอกมาเถิดข้าพเจ้าพอช่วยได้ก็ยินดีท่านรู้จักพระอนุ์มิใช่หรือ รู้สิโกกีฬาพระอนุนใครๆก็รู้จักท่านเว้นแต่ผู้ที่ไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นท่านมีธุระที่พระอนุนหรือทํำไมเป็นการลําบากแก่ท่านข้าพเจ้าอยากวานให้ท่านช่วยนิมนต์พระอนุนมาที่นี่ข้าพเจ้าอยากฟังโอวาจากท่านเวลานี้ข้าพเจ้าป่วยชีวิตเป็นของไม่แน่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่าความแตกดับแห่งชีวิตความเจ็บป่วย การเป็นที่ตายสถานที่ทิ้งร่างกายและคติในสัมป라ยาภพเป็นสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายใครๆก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอท่านอาศัยความอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าไปหาพระ อ, อ น, นุนแล้วเรียนท่านตามคําของข้าพเจ้าว่าโกกีลาภิกษุณีขอนมัส ก, การท่านโดยเสียงกล่าวเวลานี้นางป่วยไม่สามารถลุกขึ้นได้ถ้าพระคุณเจ้าจะอาศัยความกรุณาไปเยี่ยมไข่ จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแกนางหา้อยไหมเวลานั้นบ่ายมากแล้วความอบอ้าวลดลงบริเวณอารามมีพันไม้หลายหลากดูร่มรื่นขึ้นนกเล็กๆบนกิ่งไม้วิ่งไล่กันอย่างเพลิดเพลินบางพวกก็ร้องทักทายกันอย่างสนิทสนมและชื่นสุขดิลฉานเป็นสัตว์โลกที่มีความรู้น้อยและความสามารถน้อยมันมีความรู้ความสามารถแต่เพียงหากินและลบหลีกภัยเฉพาะหน้า แต่ดูเหมือนมันจะมีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ที่ถือตนว่าเป็นผู้ที่ฉลาดมีความสามารถเหนือสัตว์โลกทั้งมวลเป็นความจริงที่ว่าความสุขนั้นขึ้นอยู่ที่ความพอใจมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนหรือภาวะอย่างใดถ้าสามารถพอใจในภาวะนั้นได้เขาก็มีความสุขคนยากจนหาช้ากิงค่าอาจจะมีความสุขกว่ามหาเศรษฐีหรือมหาราชา ผู้เราร้อนอยู่เสมอเพราะความปรารถนาและทยานอยากอันไม่สิ้นสุดมนุษย์เราจะมีสติปัญญาฉลาดสักปานใดก็ตามถ้าไร้เสียแล้วซึ่งปัญญาในการหาความสุขให้แก่ตนโดยทางที่ชอบเขาผู้นั้นควรจะทะนงตนว่าฉลาดกว่าสัตว์หรือมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความอยากความดิ้นรนออกหน้าและก็วิ่งตามเหมือนกับวิ่งตามเงานตนเองในเวลาบ่าย ยิ่งวิ่งตามก็ดูเหมือนว่าเงาจะห่างตัวออกไปทุกทีทุกคนต้องการและมุ่งมั่นในความสุขแต่ความสุขก็เป็นเหมือนเงานั่นเองความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสแสวงหาและมุ่งมองโดยหน้าที่โดยตรงที่มนุษย์ควรทํานั้นก็คือว่าการมองทุกให้เห็นพร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาสาเหตุแห่งทุกนั้นแล้วทําลายสาเหตุแห่งทุกเสียโดยละเอีย ความสุขก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนผู้ปรารถนาความสุขความเจริญแก่ประเทศชาติถ้าหากว่าปราบเสี่ย น, น้ำและเรื่องร้ายในประเทศไม่ได้แล้วก็อยหวังเลยว่าประเทศชาติจะเจริญและผาสุขหรือเหมือนผู้ปรารถนาสุขแก่ร่างกายถ้าหากก็ยังกําจัดโรคในร่างกายไม่ได้ความสุขกายจะมีได้อย่างไรแต่ถ้าหากว่าร่างกายปราศจากโรคมีอนามคตดี ความสุขกายก็มีมาเองด้วยประกาศราชนีเทรววัจึงให้หลักเราไว้ว่ามองทุกขให้เห็นจึงเป็นสุขอธิบายว่าเมื่อเห็นทุก์กำหนดรู้ทุกและค้นหาสมุดฐานของทุกขแล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกนั้นเสียเหมือนหมอที่ทำลายเชื้ออันเป็นสาเหตุแห่งโรคยิ่งทุกลดน้อยลงเท่าใดความสุ ข, ขก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น ความทุกข์ที่ลดลงนั่นเองคือความสุขเหมือนทศนะทางวิทยาศาสตร์ที่ถือว่ควาความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนความเย็นคือความร้อนที่ลดลงเมื่อความร้อนลดลงถึงที่สุดก็กลายเป็นความเย็นที่สุดทานองเดียวกันเมื่อความทุกข์ลดลงถึงที่สุดก็กลายเป็นความสุขที่สุดขั้นแห่งความสุขนั้นมีขึ้นตามขั้นแห่งความทุกข์ที่ลดลง คำสอนทางพระพุทธศาสนาเมื่อว่าโดยนัยหนึ่งก็เป็นเรื่องของศิลปะแห่งการลดทุกข์นั่นเองพระอานนท์ได้รับคำบอกเล่าจากสุรรนธาภิกษุณีแล้วให้รู้สึกเป็นห่วงกังวลถึงโกกีลาภิกษุณียิ่งนักท่านคิดว่าหรือจะเป็นเพราะว่านางหกลมเมื่อบ่ายนิกระมังจึงเป็นเหตุให้นางป่วยอนิจจากโกกีฬาเธอรัเราเราหรือจะไม่รู้ แต่ว่าเธอมาหลงรักคนที่ไม่มีหัวใจจะรักเสียแล้วคงเหมือนเด็กน้อยผู้ไม่ประสาตต่อความตายนั่งรำร้องเร่งเราขอคำตอบจากมาดาผู้ซึ่งนอนตายสนิทแล้วช่าง น, น่าสงสารสังเวชสนกไรผู้หญิงมีความอ่อนแอทั้งทางร่างกายและจิตใจพระาศาสดาจึงกฤจการนักหนาในเบื้องแรกจะให้สตรีบวชในพระาศาสนาทั้งนี้ เป็นเพราะพระมาหากรุณาของพระพุทธองค์ที่ไม่ต้องการให้สตรีลำบากมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่สตรีทนได้ดีกว่าบุรุษนั่นคือการทนต่อความเจ็บปวดพระอานนท์มีพระรูปหนึ่งเป็นปัจฉาสมณะไปสู่สมนักของภิกษุณีเพื่อเยี่ยมไข้แต่เมื่อเห็นอาการไข้ของโกกีฬาภิกษุณีแล้วความสงสารและกังวลของท่าน ก็ค่อยๆ ค, คลายตัวลงความฉลาดอย่างล้ำเลิศของพระพุทธอนุชาแทงทะลุความรู้สึกและเครัญยาการของนางท่านรู้สึกว่าท่านถูกหลอกท่านไม่เชื่อเลยว่านางจะเป็นไข้จริงแต่เอาเถิดโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่จะแสดงบางอย่างให้นางได้ทราบเพื่อนางจะได้ละความพยายามเลิกรักเลิกปกมุดในโลกยียวิสัยหันมาทําความเพียรเพื่อละสิ่งที่กลัวรัก และเจริญสิ่งที่ควรทำให้เจริญให้เหมาะสมกับเพศภิกษุณีแห่งนางคงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแกานางไปตลอดกาละนานคงจะเป็นปฏิการอันประเสริฐสำหรับความรักของนางผู้พักดีต่อเราตลอดมา อ น, นุนก็กล่าวขึ้นว่าน้องหญิงชีวิตนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่าละอายทรงตัวอยู่ด้วยเรื่องที่ยุ่งยากสับสนแล้วก็จบลงด้วยเรื่องเศร้าอ น, นึ่งชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงค ล, คล่ำครวญคือเมื่อเลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกนั้นเราก็ร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ําตา เด็กที่ร้องไห้นั้นจะร้องไห้พร้อมกับกำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ให้เรารู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะหนวงเหนี่ยวยึดถือแต่เมื่อหลับตาลาโลกนั้นทุกคนจะแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสานึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะน้องหญิงอาตมาขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังสักเล็กน้อยอาตมาเกิดแล้วในศากยะวงอันมีศัต ซึ่งเป็นที่เรื่องรือว่าบริสุทธิ์ยิ่งในเรื่องตระกูลอัตมาเป็นอนุชาแห่งพระบรมศาสดาและออกบวชติดตามพระองค์เมื่ออายุได้36มสิบหปีราชกุมารผู้มีอายุถึง36ปีที่ยังมีดวงใจผ่องแผ้วไม่เคยผ่านเรื่องรักรักใคร่ใคร่มาเลยนั้นเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกหรือว่าอาจจะหาไม่ได้เลยก็ได้น้องหญิงอย่านึกว่า อาตมาจะเป็นคนวิเศษเลิศลอยกว่าราชกุมารทั้งหลายอาตมานั้นเคยผ่านความรักมาประจักษ์มาว่าความรักเป็นความร้ายความรักเป็นสิ่งที่ทารุณและเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนอาตมาเองนั้นกลัวต่อความรักทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักไม่เคยให้ความหวังแก่ใครถึงครึ่งหนึ่งแห่งความต้องการยิ่งความรักที่ชาบท้าด้วยความเสนหาด้วยแล้ว จะเป็นพิษแกจิตใจทําให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบจักสิน้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้นเหมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของที่แสลงเธออย่าพอใจในเรื่องของความรักเลยเมื่อหัวใจของเธอถูกลูบไล้ด้วยความรักหัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้าแต่ทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังก็จะรอเราอยู่น้องหญิงเธออย่าหวังอะไรให้มากนัก จงมองดูชีวิตอย่างผู้ช่ำชองอย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้าชีวิตนี้ก็เหมือนกับเกลียวคลื่นซึ่งก่อตัวขึ้นแล้วแล้วก็ม้วนเข้าหาฝั่งและแตกกระจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนผู้ยืนอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรเชะนั้นโกกีลาเออยเมื่อความรักเกิดขึ้นแล้ว ความละอายและความเกรงกลัวในสิ่งที่ควรกลัวก็พลันสิ้นไปเหมือนก้อนเมฆมือหืมาเคลื่อนตัวขบทบังดวงจันทร์ให้อับแสงธรรมดาสตรีนั้นควรจะยอมตายเพราะความละอายแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นความละอายมักจะตายไปก่อนเสมอเมื่อความไข่เกิดขึ้นความละอายก็หลบหน้าเพราะเหตุนี้พระบรมศ า, าสดาจึงตรัสว่าความไข่ทําให้คนมืดบอด คือโลกมนุษย์ของเรานี้เต็มไปด้วยชีวิตอันประหลาดพิสดารตากชนิดและต่างรสชีวิตเขาแต่ละคนได้ผ่านมาและผ่านไปด้วยความประกรรมลําบากทุกทรมานถ้าชีวิตมีความสุขก็เป็นความหวาดเสียวที่จะต้องจากชีวิตอันรุ่นรมนั้นไปโกกีฬาเออยมนุษย์ทั้งหลายผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นเป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าไปในป่าใหญ่อันรกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายหน้าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงา มนุษย์ส่วนใหญ่แม้ว่าจะร่าเริงแจ่มใสยอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าในส่วนลึกแห่งจิตใจของเขามีความว้าเหวและเงียบเหงาสักปานใดแทบทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักของชีวิตที่แน่นอนเธอปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นหรือโกกีลา ปัจจุบเธอมีทำรรเป็นเกาะที่พึ่งแล้วจงยึดทำเป็นที่พึ่งต่อไปเถิดอย่าหวังอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยโดยเฉพาะความรักความสเสน่หาไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แกใครได้มันเป็นเสมือนตอที่ผุจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดสาดทำเป็นที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทําใดที่นึกขึ้นในภายหลังแล้วต้องทําให้เสียใจยนั้น พระศ า, าสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือว่าได้รับความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ตามก็ต้องไม่ทิ้งธรรมมนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติในภายหลังแล้วก็ควรตั้งใจประพฤติธรรมสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งพวกเราเป็นนักบวช ด, ด้วยแล้ว ก็จำจะต้องมีอุดมคติการตายโดยอุดมคตินั้นมีค่ากว่าการเป็นอยู่โดยไร้อุดมคติน้องหญิงธรรมดาว่าไม้จานนั้นแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้เข้าสู่หีบจนแล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมพระาศาสดาทรงย้ำว่า พึงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรมโกกีฬาเออยเธอได้สละเพศคารวาตซึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ยากที่ไกลๆจะสละได้ขอให้เธอเสียสละต่อไปเถิดและสละให้ลึกกว่านั้นคือไม่สละแต่เพียงเพศอย่างเดียวแต่จงสละความรู้สึกอันจะเป็นค่าศึกตัวเพศเสียด้วยเธอเคยฟังสุภาษิต ม, มาแล้วมิใช่หรือในร้อยคนหาคนกล้าได้หนึ่งคน ในคนพันคนหาคนเป็นบัณฑิตได้หนึ่งคนในคนแสนคนหาคนพูดจริงได้เพียงหนึ่งคนส่วนคนที่เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่คือไม่ทราบจะคำนวณออกจากคนจานวนเท่าใดจึงจะเฟ้นได้หนึ่งคนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักเสียสละตัวอย่างของโลกเคยมีกษัตริย์องค์ใดบ้างทาได้เหมือนพระพุทธองค์ ยอมเสียสละความสุขความเพลิดเพลินใจทุกอย่างที่ชาวโลกหมายปองมาอยู่กลางดินกลางทรายก็เพื่อทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่มรุษยชาติการเสียสละของพวกเราเมื่อนำไปเทียบกับการเสียสละของพระบรมศาสดาแล้วของเราช่างเล็กน้อยสนิ ก, กรัไร ศาสดาตรัสว่าบุคคลอาจอาศัยตัณหาละตัณหาได้อาจอาศัยมานะละมานะได้อาจอาศัยอาหารละอาหารได้แต่ว่าเมถุนธรรมนั้นเพราะผู้มีประภาคทรงสอนให้ชักสะพานเสียคืออย่าทอดสะพานเข้าไปข้อว่าอาศัยอาหารละอาหารนั้นคือละความพอใจในรสอาหารจริงอยู่สัตว์โลกทั้งมวลดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอาหาร ข้อนี้พระาศาสดาก็ตรัสไว้แต่มนุษย์และสัตว์เป็นอันมากติดข้องอยู่ในรถแห่งอาหารจนต้องกระเสือกกระสนกระวนกวายและต้องทําชั่วเพราะรถแห่งอาหารนั้นที่ว่าอาศัยอาหารละอาหารนั้นคืออาศัยอาหารละความพอใจในรถแห่งอาหารนั้นคือบริโภคเพียงเพื่อยังชีพให้ชีวิตนี้เป็นไปได้เท่านั้นเหมือนคนที่เดินข้ามทะเลทรายสเสบียงอาหารหมด และบังเอิญลูกน้อยตายลงไปเพราะความหิวโหยเขาจำใจต้องกินเนื้อบุรเพียงเพื่อให้ข้ามทะเลสายได้เท่านั้นหาติดในรถแห่งเนื้อบุดไม่ข้อว่าอาศัยตัณหาละตัณหานั้นคือเมื่อทราบว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิ ก, กาชื่อโน้นได้สำเร็จเป็นโสดาบันสัคาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ก็มีความทยานอยากจะเป็นบ้าง เมื่อพยายามจนได้เป็นแล้วความทยานอยากนั้นก็หายไปอย่างนี้เรียกว่าอาศัยตัญหาละตัญหาข้อว่าอาศัยมานะละมานะนั้นคือเมื่อได้ยินได้ฟังภิกษุหรือภิกษุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาชื่โนโ้นได้สำเร็จเป็นโสดาบันเป็นต้นก็มีมานะขึ้นว่าเขาสามารถทำได้ทำไมเราซึ่งเป็นมนุษย์และมีอวัยวะทุกส่วนเหมือนเขาจะทาไม่ได้บ้าง จึงพยายามทำความเพียรเผากิเลสจนได้เป็นโสดาปฏิผลบ้างอรหัตผลบ้างอย่างนี้เรียกว่าอาศัยมานะละมานะเพราะเมื่อบรรุแล้วมานะนั้นย่อมไม่มีอีกดูก่อนน้องหญิงส่วนเมธุนธรรมนั้นใครๆจะอาศัยละไม่ได้เลยนอกจากจะพิจนารณาเห็นโทษของมันแล้วเลิกละเสียห้ามใจไม่ให้เลื่อนไหลไปยินดีในการมาสุขฉะนั้นน้องหญิง พระศาสดาตรัสว่ากามกุลนั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีสุขน้อยแต่มีทุกขมากมีโทษมากมีความขับแคนเป็นมูลมีทุกขเป็นผลพระอ น, นุลพูดจบค่อยจับกิริยาของโกกีฬาภิกษุณีว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรทำมากถาของท่านได้ผลภิกษุณีค่อยๆลุกจากเตียงสลัดผ้าห่มออกคลานมาหมอบลงแทบเท้าของพระอ น, นุลสะอึกสะอือนจนสั่นเทิมไปทั้งตัว นางพูดอะไรไม่ออกนางเสียใจอย่างสุดซึ้งอันความเสียใจและความละอายนั้นถ้ามันแยกกันเกิดคนละครั้งก็ดูเหมือนว่าจะไม่รุนแรงเท่าใดนักแต่เมื่อใดทั้งความเสียใจและความละอายเกิดขึ้นพร้อมๆกันและในกรณีเดียวกันด้วยแล้วย่อมเป็นความทรมานสาหรับสตรีอย่างยวดยิ่งนางเสียใจเหลือเกินที่ความรักของนางนั้นไม่ได้รับการสนองตอบเลยแม้แต่น้อย คำพูดของพระอนุล์ล้วนแต่เป็นคำที่เสียดแทงใจสําหรับนางผู้ยังหวังความรักจากท่านอยู่ยิ่งกว่านั้นเมื่อนางทราบว่าพระอนล์ไม่ได้เชื่อในอาการลวงของนางเลยนางจึงรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงละอายสุดที่จะประมาณได้นางจึงไม่สามารถพูดคําใดได้เลยนอกจากถอนสะเอือนอยู่ไปมาครู่หนึ่งพระอนุล์จึงพูดขึ้นว่าน้องหญิงหยุดร้องไห้เสียเถื่ การร้องไห้ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ช่วยให้เรื่องหนักใจของเธอคลายลงได้อริจจาพระอ น, นุลช่างพูดอย่างอริยะแท้ข้าแต่พระขุนเจ้านางพูดทั้งเสียงสะอื้นภิกษุผู้เป็นปัจฉาของพระอ น, นุลต้องเบือนหน้าไปเสกทางหนึ่งเกรงว่าจะไม่สามารถอดกลั้นน้ำตาได้ข้าพเจ้าพยายามกล้ามกลืนฝืนใจปฏิบัติตามโอวาทของท่านแม้จะเป็นความทรมานสักปานใด ข้าพเจ้าก็จะอดทนและขอเทอทูลบูชาพระพุทธอนุชาไว้ในฐานะเป็นที่เคารพสการะอย่างสูงข้าพเจ้าไม่เจียมตัวเองจึงต้องทุกข์ทรมานถึงป่านี้ข้าพเจ้าเป็นเพียงหญิงทาทูลหม้อน้ําข้าพเจ้าเพิ่งสํานึกตนเวลานี้เองความรักความอะไรทําให้ข้าพเจ้าลืมกับเนิดชาติตระกูลและความเหมาะสมใดๆทั้งสิ้นมาหลงรักพระพุทธอนุชาผู้ทรงศัก์ข้าพเจ้ารักท่านแต่รักอย่างสุดหัวใจ ถ้าการที่กบเจ้ารักท่านนั้นเป็นความผิดขอท่านผู้ประเสริฐได้โปรดอภัยในความผิดพลาดอันนั้นด้วยนางพูดจบแล้วก็นั่งก้มหน้าน้ำตาของนางหยดลงบนจีวรผืนบางเสมือนหยาดน้าค้างถูกสลัดลงจากใบหญ้าเมื่อลมพัดเป็นคลางกลาวน้องหญิงเรื่องชาติเรื่องตระกูล น, นั้นอย่านำมาปลาลมเลยอาตมาไม่ได้เคยคิดถึงมันมาเป็นเวลานานแล้วที่อาตมาไม่รับน้องหญิง ไม่ใช่เพราะว่าอาตมามาเกิดในชาติตระกูลอันสูงศัก์ส่วนเธอเป็นทาสีดอกแต่เป็นเพราะว่าอาตมาเห็นโทษแห่งความล้าความสเสน่หาตามที่พระศาสดาทรงสอนอยู่เสมอเวลานี้อาตมามีหน้าที่ที่ต้องบ่มบุงพระศาสดาผู้เป็นนาตาของโลกและพยายามทําหน้าที่กําจัดอาสวะในจิตใจมิใช่เพิ่มอาสวะให้มากขึ้นเมื่ออาสวะยังไม่สิ้นย่อมจะต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏะสงสารอีก ซึ่งจะเป็นเวลานานเท่าใดก็สุดที่จะคำนวณพระศาสดาตรัสว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีการเกิดความแก่ความเจ็บและความทรมาร์หนื่นๆก็ติดตามมาเป็นสายนอกจากนี้ผูวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอาจจะมีบางชาติที่ประมาทพลาดพลางไปแล้วก็ต้องตกไปในอบายเป็นการถอยหลังไปอีกมากมากกว่าจะตั้งต้นได้ใหม่เป็นการเสียเวลาของชีวิตไปไม่ใช่น้อย น้องหญิงเธ อ, อย่าน้อยใจในชาติตระกูลอันต่ำต้อยของเธอเลยบุคคลจะเกิดในตระกูลกษัตริย์พราหม์แพทย์หรือสูตรย่อมตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาเหมือนกันหมดคือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและในที่สุดก็ต้องตายความตายย่อมกวาดล้างสรรพสัตว์ไปโดยไม่ได้เว้นใครไว้เลยและใครๆก็ไม่อาจต่อสู้ด้วยวิธีใดๆไ ด, ไ ด, ได้นอกจากนี้ มนุษย์ทุกคนนั้นล้วนมีเลือดสีแดงรู้จักกลัวภัยและไล่ความสุขเสมอกันเหมือนไม้ชนิดต่างๆเมื่อนำ ม, มาเผาไฟย่อมมีเปลวสีเดียวกันเมื่อเป็นชนีจะมัวมาแบ่งแยกกันอยู่ทำไมว่าคนนั้นเป็นวันหน้าสูงคนนี้วันณนต่ำมาช่วยกันกระพือสันติสุขให้เกิดโลกที่ร้อนระอุนี้จะไม่ดีกว่าหรือมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดในวันหน้าใดเมื่อประพฤติดีก็เป็นคนดีเหมือนกันหมด เมื่อประพฤติชั่วก็เป็นคนชั่วเหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอให้น้องหญิงเลิกน้อยใจในเรื่องชาติตระกูลของตัวและตั้งหน้าพยายามทำความดีเถิดขอให้น้องหญิงเชื่อว่าการที่อัตมาไม่สามารสนออความรักของน้องหญิงนั้นไม่ใช่เพราะอัตมารังเกียจเรื่องชาติเรื่องตระกูลของเธอเลยแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าอัตมารังเกียตตัวความรักต่างหากภาคินีเอย อันธรรมดาว่าความรักนั้นเป็นธรรมชาติที่เร่าร้อนอยู่แล้วถ้ายิ่งมันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดที่ไม่เหมาะสมด้วยแล้วมันก็จะยิ่งเพิ่มแรงร้อนมากขึ้นการที่น้องหญิงจะรักอัตมาหรือว่าอัตมาจะรักเธออย่างเสน่หาอะไรนั่นแหลเรียกว่าความรักอันเกิดขึ้นในฐานะที่ผิดหรือไม่เหมาะสมขอให้เธอตัดความรักความอะไรเสรเถิดแล้วเธอจะพบกับความสุขความปลอดโปร่งอีกแบบหนึ่ง ซึ่งสูงกว่าประนีตกว่าพระอานุนได้ละพิกุนูปัสยาวไว้เบื้องหลังด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดท่านเดินลัดเลาะมาทางริมสระน้าและก็นั่งลงนะที่ม้ายาวมีพนักตัวหนึ่งภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะก็นั่งลงหน้าริมสุดข้างหนึ่งพระอานุนได้ถอนหายใจยาวและหนักน่วงเหมือนกับว่าจะระบายความหนักอกหนักใจออกมาสิบ้างครู่หนึ่งท่านจึงบอกให้ภิกษุรูปนั้นกลับไปก่อน ท่านต้องการที่จะพักผ่อนอยู่ที่นี่สักครู่หนึ่งถ้าพระาศาสดาเรียกหาก็ให้มาตามที่ริมน้ะนั้นท่านนั่งคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งรู้สึกสงสารภิกษุณีโกกีลาอย่างจับใจแต่ด้วยอัธยาศัยแห่งมหาบุรุษประดับด้วยบารมีธรรมนั้นต่างหากเล่าจึงสามารถข่มใจและสลัดความรู้สึกสงสารอ น, นั้นเสียได้ท่านปลาลบกับตนเองว่าอนุ์ เธอเป็นเพียงโสดาบันเท่านั้นราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้ละเลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าไปเข้าใกล้หรือยอมพบกับภิกษุณีโกกีฬาอองเพราะว่าธรรมชาติของจิตนั้นเป็นสิ่งที่ดิ้นรนกลับหลอกง่ายบางคราวปรากฏเหมือนช้างตกมันอ น, นุนเธอจงเอาสติของเธอนั้นเป็นขอสำหรับเหนี่ยวรังช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจ บุคคลผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดและควรแกการสรรเสริญ น, นั่นคือผู้ที่สามารถเอาตนของตนเองไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้พระาศาสดาตรัสว่าผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามพระอานนท์ตรึกตรองและโอวาาตนเองอยู่พอสมควรแล้วก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านไม่มีอะไรที่จะปิดบังสำหรับพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้น ท่านจึงกราพูนเรื่องราวทั้งหมดให้พระจอมุนีทรงทราบรวมทั้งที่ท่านได้ดปราลบกับตนเองและให้อว่าตนเองนั้นด้วยพระมหาสมณะทรงทราบเรื่องนี้แล้วทรงประทานสาธุการแก่พระอานนุ์และตรัสให้กำลังใจว่าอา น, นุ์เธอเป็นผู้ที่มีบารามีอันได้เคยสั่งสมมาดีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแห่งเธอเรื่องที่เธอจะตกต่ำไปสู่ฐานะที่ตามคนี้นั้น ไม่มีอีกแล้วแล้วพระสักยมุนีก็ทรงแย้มพระโอ์น้อ ย, อยเมื่อพระ อ, อ น, นุนภูลถามถึงสาเหตุที่ทรงแย้มระโอ์นั้นพระองค์จึงตรัสว่าอา น, นุนเธอคงลืมไปว่าพระโสดาบันนั้นจะไม่ตกตามอีกจะต้องในตรัสรู้เป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเธ อ, อยาวิตกทุกร้อนไปเลย มีอาการแช่มชื่นแจ่มใสขึ้นเพราะพระดำรัสประโลมใจของพระศ า, าสดานั้นเย็นวันนั้นเองพุทธบริษัทแห่งนครโกสัมพีผู้ใคร่ต่อธรรมมีมือถือดอกไม้ทูปเทียนและสุขุนตชาติหลากหลายต่างมุ่งหน้าสู่โคสิตารามเพื่อฟังธรรมรสจากพระพุทธองค์เมื่อพุทธบริษัทพลังพร้อมนั่งอย่างมีรเบียบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสุขซึ่งยอมไว้ดีแล้ว ทรงคาดกายพันธนะประคตเอวอันประดุดสายฟ้าทรงคลองสุคตมหาบางสกุลจีวร อ, อันเป็นประดุดผ้าคำพนสีเหลืองมนทรงเสด็จออกจากพระคันทกุดีสู่ธรรมสภาโดยพุทธลีลาอันงามยิ่งหาที่เปรียบมิได้ประดุดวิราชแห่งพระยาช้างตัวประเสริฐและประดุดอาการเยื่องกลยแห่งไกลสอนศรีหาราชเสด็จขึ้นสู่บวรพุทธาธิปูราชไปดีแล้ว ท่ามกลางมนทนมานซึ่งประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตปรการตาทรงเป่งพระฉับพรรารังสีประดุดพระอาทิตย์เป่งแสงอ่อนๆบนยอดภูเขายุคันธรเมื่อสมเด็จพระจอมุนีเสด็จมาถึงพุทธบริษัทก็เงียบกริบพระพุทธองค์ทรงมองดูพุทธบริษัทด้วยพระหฤทัยเปี่ยมไปด้วยเมตตาทรงนําริว่าชุมนุมนี้ช่างงามน่าดูจริง จะหาขนองมือขนองเท้าหรือมีเสียงไอเสียงจามไม่ได้เลยชนทั้งหมดนี้มีคารวะต่อเรายิ่งนักถ้าเราไม่พูดขึ้นก่อนแม้จะนั่งอยู่นานสักเท่าใดก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยแต่เวลานี้เป็นเวลาแสดงธรรมพระองค์ทรงดริชนนี้แล้วจึงทรงคายแห่งพระยานของพระองค์ไปสำรวจพุทธบริษัทว่าใครหนอที่จะสามารถปรลุธรรมชั้นสูงได้บ้างในวันนี้ ทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งภิกษุณีโกกีฬาว่ามีญาณแก่กล้าพอจะบรรลุธรรมได้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศธรรมจักอันประเสริฐ ด, ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะกังวานดังนี้ดูก่อนท่านทั้งหลายทางสองสายคือกามาสุ ข, ขันลิการโยก ค, คือการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามาสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมฐานโยกการทรมานกายให้ลำบากกล่าสายหนึ่ง อันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรตมีองค์8คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดชอบการทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่ง ที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลายความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข์ความแห้งใจหรือความโศกความร่ำไรลาพันจนน้าตาหนองหน้าความทุกข์กายทุกใจความคับแคลนใจความพลัดพรากจากบุคคลรู้สิ่งของอันเป็นที่รัก ความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่รักพอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความทุกข์ที่บุคคลต้องประสบทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันห้าด้วยตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์นั้น เรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกภวะตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแล้วเรียกวิภวะตัณหาอย่างหนึ่งนี่แหละ คือสาเหตุแห่งทุกขั้นมูลฐานท่านทั้งหลายการสละเกินโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหลเราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกได้ทางที่จะดับทุกขดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8ประการท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่พึงเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึงเลย เราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางบอกทางให้เท่านั้นส่วนความเพียรความพยายามเพื่อเผาบาปอากุศลทั้งหลายทั้งปวงต้องทาเองทางมีอยู่เราชี้แล้วบอกแล้วท่านทั้งหลายจงเดินเองเถิดพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้นเสมือนกับว่าเจาะจงเทศนาแก่ภิกษุณีโกคีลาโดยเฉพาะ นางรู้สึกเหมือนพระองค์ประทับแก้ปัญหาโัวใจของนางให้หลุดร่วงสมแล้วที่ใครๆพาคันชมพระพุทธองค์ว่าเป็นเสมือนดวงจันทร์ที่บุคคลรู้สึกเหมือนว่าจงใจส่องแสงสีนวลไปให้แก่ตนเพียงผู้เดียวเท่านั้นโกกีลาภิกษุณีได้ส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาปลดเปรืองสังโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจทีละชั้นจนสามารถประหารกิเลสทั้งมวล ได้สำเร็จมรรคผลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งด้วยประการัชนี วันหนึ่งเวลาเช้ามันเป็นฤดูใบไม้ผลิใบเก่าของพืชสติถูกสลัดทร่วงลงและเหี่ยวแห้งอยู่บริเวณโคนต้นที่เน่าเปื่อยไปแล้วก็มีเป็นจำนวนมากใบอ่อนซึ่งผลิออกใหม่ดูสวยงามสล่างสลาวมองดูเรียงรายเป็นทิวแถวน่าชื่นชมเมื่อดูนี้มาถึงเขา้าแทบทุกคนรู้สึกเหมือนว่าได้อาศัยอยู่ในโลกใหม่ น้ำค้างบนยอดหยาและใบไม้ยังไม่ทันเหือดแห้งเพราะยังเช้าอยู่พระอาทิตย์เพิ่งจะทอแสงสาดพื้นพิพภพไป่นานนักล้มอ่อนในยามเช้าพัดเฉยฉิวหอบเอากลิ่นน้ำและกลิ่นดอกไม้นานาพันธุ์ติดมาด้วยนกเล็กๆกระโดดโลดเต้นด้วยความสมราญจากกิ่งนี้สู่กิ่งโน้นและจากกิ่งโน้นสู่กิ่งนั้น พรางก็ร้องเหมือนเสียงทักทายกันด้วยความสุขสดชื่นรับอรุณโรจน์พระอานนท์พุทธอนุชาเดินจงกรมพิจารณาธรรมอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศอันสดชื่นนี้พรางท่านก็คิดถึงสุภาษิตเก่าๆบทถึงที่ว่ากาก็ดำนกด่าวก็ดำอะไรเล่าที่จะเป็นเครื่องแตกต่างระหว่างกาและนกด้วนั้น แต่เมื่อดูใบไม้ผลิตมาถึงข้ากาก็คงเป็นกานกดูเ ว, วก็คงเป็นนกดูเววสาธุชนและทุรชนก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่เมื่อเปลงวาจาปลาัยจึงทราบว่าใครเป็นสาธุชนและใครเป็นผู้รชนท่านครครวรอยู่ต่อไปถึงพระพุทธภาษิตที่เกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธองค์เคยตรัสว่าที่ใดไม่มีสัตวร์บรุุษ ที่นั่นไม่ชื่อว่าสภาผู้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษขณะนั้นเองสุภาพสตรีผู้หนึ่งถือดอกไม้ทูบเทียนและข้าวยาคูเดินเข้ามาในบริเวณอารามเมื่อ น, นางเห็นพระอ น, นุลจึงวางของลงแล้วก็นั่งลงไหวอุบาสิกาวันนี้มาแต่เช้าเชือหรือพระอ น, นุลทักทายอย่างสนิทสนม ข้าพเจ้ามีกิจพิเศษด้วยคือจะมาทูลลาพระาศาสดากลับไปอยู่บ้านเดิมกุศินาราพระกุนเจ้าและตั้งใจว่าจะลาพระกุนเจ้าด้วยก็พอดีพบพระกุนเจ้าที่นี่ทาไม อ, อุบาสกาพระนรนถามด้วยความสงสัยท่านเสนาบดีให้กลับพระกุนเจ้าเมื่อพระนรนไม่ซักถามอะไรอีก นางก็นมัสการลาแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าใจนางนั้นไม่สบายเลยไหนจะเป็นห่วงท่านเสนาบดีที่จะต้องอยู่โดยปราศจากนางและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนางปรารถนาจะอยู่สาวัตถีเพราะเป็นราชธานีที่พระพุทธองค์ประทับอยู่บ่อยที่สุดและนานที่สุดการได้อยู่เมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นั้นเป็นกําไรชีวิตอย่างมาก สำหรับความรู้สึกของนางเมื่อนางถวายบังคมพระศาสดาแล้วพระพุทธองค์จึงทักว่ามาลิกาวันนี้มาแต่เช้ามีธุระอะไรพิเศษหรือมอมฉันมาทูลาพระองค์เพื่อจะไปกุสินาราพระเจ้าค่ะทําทไมหรือท่านเสนาบดีให้กลับไปอยู่เมืองกุสินาราพระเจ้าค่ะมีเรื่องอะไรรุนแรงถึงต้องให้กลับเดียหรือ เรื่องก็มีเพียงว่าหม่อมฉันไม่มีบุตรท่านพันธุลเสนาบดีให้กลับไปอยู่บ้านเดิมเขาบอกว่าหม่อมฉันเป็นหมันเขาต้องการลูกเมื่อไม่สามารถมีลูกให้เขาได้จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะอยู่ต่อไปพระเจ้าค่ะเท่านี้หรือมาริกาเท่านี้เองพระเจ้าข่าถ้าเพียงแต่เท่านี้ก็อย่าไปเลยอยู่ที่สาวถีนี่แหละ ขอให้บอกท่านเสนาบดีตามคำของตถาคตนางมาลิกาได้ฟังพุทธํารหักแล้วมีความดีใจและปลงใจเหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วและพระราชารับสั่งให้ปล่อยฉะนั้นนางถวายบังคมลาพระาศาสดาเดินอย่างร่าเริงกลับออกมาทางเดิมพบพระอนุญยัเดินจงกรมอยู่จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอนุ์ทราบท่านกล่าวว่า อุบาสิกาท่านเป็นผู้ที่มีโชคดีต่อไปนี้ท่านปรารถนาสิ่งใดคงจะได้สิ่งนั้นสมประสงค์พระศาสดาไม่เคยตรัสอะไรที่ปราศจากเหตุการห้ามของพระองค์น่าจะมีเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านจงเบาวใจเถิดนางมาลิกาพัญญาท่านพันธุราเสนาบดีนี้เป็นสตรีผู้หนึ่งที่มีบุญในสมัยพุทธกาล มีเครื่องประดับที่มีค่าและทรงเกียร์ล้ำซึ่งเรียกว่ามหารดาประสาทในสมัยเดียวกันนั้นมีสตรีอยู่สามคนเท่านั้นที่สามารถมีเครื่องประดับนี้คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนหนึ่งนางมลิกาพัญญาพันธุลเสนาบดีคนหนึ่งและธิดาแห่งเศรษฐีกรุงพาราณสีอีกคนหนึ่งนางกลับไปหาท่านพันธุลด้วยอาการริงโลดใจ แจ้งเรื่องที่พระาศาสดาทรงทัดทานมิให้กลับไปสู่กุสิณาราพันธุลคิดว่าพระาศาสดาคงเห็นเหตุสำคัญเป็นแน่จึงทรงห้ามไว้เขาเชื่อในพระสัพพายุตยานแห่งพระพุทธองค์จึงพลอยดีใจกับชายาด้วยเข้าประคองมาริกาด้วยความถนอมรักใคร่พลางกล่าวว่าที่รักการที่พี่บอกให้น้องกลับไปสู่กุสิณารานั้นเป็นเพราะไม่รักน้องก็หาไม่ได้ น้องคงทราบว่าวงตระกูลเป็นสิ่งสำคัญตระกูลที่ไม่มีบุตรสืบต่อย่อมขาดศูนย์พี่ไม่ปราถนาเช่นนั้นพี่เพียงทำตามประเพณีของพวกเราเท่านั้นหญิงที่เป็นหมันย่อมให้สิทธิแก่สามีของตนมีหญิงอื่นเป็นพัญญาสาหรับมีบุตรสืบสกุลเพราะพี่รักน้องจึงไม่อยากให้น้องอยู่อย่างน่าชื่นอกดมพี่ทราบกฎธรรมดาดีว่า ไม่มีสตรีคนใดอยากเห็นสามีของตนมีพัญญาอื่นอย่างต่ำหูตำตาน้องเป็นสุดทิรักของพี่แต่ว่าความจำเป็นนั้นควรจะอยู่เหนือความรักนี่ใช่หรือมัลิกาซบอยู่กับอกของพันธุละน้ำตาไหลาพลากลงอาบแก้มนางจะสะกดกั้นอย่างไรก็สุดที่จะห้ามไม่ให้มันพลั่งพลูออกมาได้ความรู้สึกของนางสับสนวุ่นวายทั้งดีใจและเสียใจ ดีใจที่มีโอกาสได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดสามีอันเป็นที่รักเสียใจที่นางไม่สามารถให้บุตรสืบสกุลแก่เขาได้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งได้สอดแทรกเข้ามาคือรู้สึกสงสารและเห็นใจสามีนางพูดทั้งน้ําตาว่าน้องเข้าใจพี่ดีและพร้อมที่จะทําตามคําบัญชาของพี่น้องได้มอบทั้งร่างกายและจิตใจให้พี่แล้วสิ่งที่น้องให้พี่ไม่ได้นั้น เป็นสิ่งสุดวิสัยจริงๆเท่านั้นในโลกนี้มีสิ่งอยู่เป็นจํานวนมากที่เราปรารถนาเหลือเกินเพื่อจะได้แต่ก็ไม่ได้สมตั้งใจตรงกันข้ามมีสิ่งอยู่เป็นจํานวนมากที่เราจากจะหลีกเลี่ยงและไม่พึงปรารถนาแต่ก็ต้องประสบเข้าจนได้ที่รักในโลกนี้มีใครเล่าที่จะประสบความปรารถนาไปเสียทุกสิ่งทุกชีวิตล้วนคลุกเคล้าไปได้วยยาพิษและน้ําตาล ชีวิตมีทั้งความหวานชื่นและขมขื่นเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตแต่ว่าทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นทาสของชีวิตเต็นไปจนกว่าว่าชีวิตนี้จะเสื่อมสลายไป